พระธรรมบทบริษัททั้งหลายตอนนี้ขอให้ชื่อว่าสรุป <c oughs> ขออภัยลืม <c oughs> 29 พฤศจิกายน 2513 33 ขอโทษวัน 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เนี่ยสมองบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเรื่อง 2 ตอน ตอนนั้นรู้สึกว่าเจ้าเรื่องของท่านลายเข้ามาแทรกทุมากทั้งนี้ มาตอนนี้เมื่อคืนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ปล่อยมา <c oughs> เพราะถวายการสังฆทานมีอานิสงส์มากเป็นกรณีพิเศษปัจจัย อาจกล่าวคือว่าการชําระหนี้กฎของกรรมให้กรรมหมดไปก็เป็นเหตุทําไม่ได้เหมือนกันแม้จะในสมัยพระองค์สมเด็จพระพุทธกวนบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับบพชนอยู่สาวกขององค์สมเด็จพระพุทธมครู 60 รูปเศษ แต่ก็ทรงเทศน์ให้มีความดีสูงมี ชาตินี้ยังไงยังไงบาปก็ให้ผลเพราะว่าเมื่อสิ้น <c oughs> ก็วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็จะล้าง 22 มกราคม 2532 เวลาประมาณ 18:00 น. จะถือว่า แต่ถือว่าเป็นกลางวันพระอาทิตย์ก็หายไปแล้วเพ้อถือว่าเป็นกลางคืนออกจากร่างไปนอน <c oughs> ในปรากฏว่ามีพระอยู่องค์หนึ่ง 10 เมตรก็ประมาณนั้นญาติโยมก็นอนอยู่บนเตียงหันแต่แขนขวาหันหลังให้ท่านเวลา เป็นการบริโภคบ้างเครื่องใช้สอยบ้างเครื่องประดับบ้างค่าคือประดับก็สูงมากรู้สึก แต่ในฐานะที่เคยฟังคําแนะนําขององค์สมเด็จพระ ทรัพย์สิ่งเกิดที่ไหนให้อยู่ที่นั่นนั่นคือเวลาไปวัดไหนไหนก็ตามถ้าเค้าถวายเจต <c oughs> แต่คิดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าในเมื่อบ่สิประทาตามธรรมดาของเราเป็นอย่างนี้ของถ้าเกิด <c oughs> คันมีความรู้สึกว่าต้องการถ่ายอวัชาระเกิดขึ้นก็มี <c oughs> อาการปวดอุจจาระก็ปวดหนักขึ้นอยากจะลุกกระท่อจาระแต่ก็ลุกไม่ขึ้นเจ้านั่น <c oughs> ที่นี่มันกุฏิพระควายเข้ามาได้ยังไงแล้วเจอคนคนนี้ก็มีรูปร่างดำๆเพลียวเคร็งหน้าตาไม่สวยปากแหว่งตรงจมูกมาแหว่งมากแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะทุกคนคนนี้เป็นใครก็ไม่ปรากฏ คำคอยจะมาจากที่ไหนเสียงนั้นถึงก็บอกว่าชาตินี้ไม่ได้ฆ่าแต่ชาติ ตักเสียงนั้นถามว่าเห็นมั้ยว่าสงครามก้าวทัพต้องใช้คนเป็นหมื่นภาชนะมาหานมาเลี้ยงทหารจะใช้อะไรใช้ปลาหรือใช้หมูมันก็ไม่พอต้องใช้วัวใช้ควายด้วยก็เรียนถามท่านว่าข้ากระผมตั้งแต่ <c oughs> แล้วก็สามัยนั้นเคยเกิดสงครามสงครามเข้าทัพหรือมีส่วนในการเลี้ยงอาหารด้วยหรือ บางชาติเธอก็เป็นแม่ทัพใหญ่บางชาติเธอก็เป็นแม่ 80 องค์โดยแค่นักเรียนประจําเมื่อเธอรับ ถามว่ากฎของกรรมคือ 2525 เดือนมิถุนายนมัน เวลานี้ก็ยังไม่คลายตัวนักมีส่วนคลายตัวบ้างตามสุขคนได้ยังไม่มากนักส่วนมากจริงๆนอกจากเกิดของกรรมของคอยแล้วจะ เธอทำบาปหลายคราวในชีวิตหนึ่งแล้วก็ผ่าน <c oughs> ฉันต้องการให้เธอทํางานของฉันให้เสร็จเรียบร้อยฉันจะสั่ง แต่ถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆถ้าร่างกายมันจะโผจะพังจริงๆถึงจะปล่อยให้ตายก็เลยสงสัยว่าเสียงนั้นแต่เสียงใครเสียงนั้นก็ตอบว่า เดี๋ยวเสียนั้นก็หยุดตอนนี้ รอบๆโดยตามกําแพงของร้อยไร่ใช้ใช้ระยะ เป็น 2 ชั้นกว้าง 4 เมตรนั่งพักก่อนได้สบายเมื่อเวลากลางคืนเด็กพูล่า เมื่อเหล่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านความประสงค์ของท่านแต่ท่านบอกว่าต้องสร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จทางยาวแล้วท่านบอก จงจำให้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ เพื่อนๆทุกคนจงอย่าคิดอาตมาจะอยู่นานให้คิดว่าอาจจะตายไว้ อายุ 40 ปีไม่ทราบว่าๆน้อยๆตอนมาท่านก็หาเรือ เมื่อฟังแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ เสวยสักสมัยใหม่เค้าจะส่งเข้าไปอ่ะส่งไปหาตะแลงแกงที่ที่ข้าเลยเมื่อจะส่งอ่ะ เรื่องเลี้ยงปลานี่ไม่เคยศึกษามาก่อนเพราะก็ทําสวนมีนามีสวนนายก็มีไป <c oughs> แต่กับผมก็หลายคนนั่งอยู่ผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างเห็นพรมุดคืนก็คืนคงดี <c oughs> ที่เธอปฏิบัติอยู่ในในอยู่ในแวดล้อมนั้นด้วย เข้าไปในที่ตั้งของขโมยขโมยถ้ามีคนหลายคนถ้าไปนั่งคนทุกคนที่นั่งแม่งก็มองเห็นถ้าบังเอิญพอเดินเข้าไปก็ปรากฏว่ามีนอนคนนอนกองอยู่คนนึงคลุมมิด ก็ปรากฏว่ามีคนบอกว่าหลวงพิกแก้วแดงในสุดเค้าก็เจ้าของหน้าเจ้าของภาพก็ก็เปิด เธอก็ตอบว่าหนูรู้จักที่มีที่แห่งคล้ายๆกันเป็นห้องซุ้มเล็กเป็นห้องซุ้มธรรมดาไม่ถูกซ้อมหรือสะอาดเรียบร้อยและเก่าเหมือนกันเธอก็เดินนําเธอเข้าไปในซุ้มก่อนคือเข้าเข้าทั้งเข้าไปห้องเล็กเธอนําเข้าไปก่อนอาตมาเดินตามทีเข้าห้องผิดมันเป็นห้องเล็กเหมือนกันห้องขนาดเดียวแทนที่เป็นห้องซุ้ม เป็นกลายห้องเป็นทางเดินลงนรกที่ตอบบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าง 1 เมื่อเข้าห้องห้องก็เล็กเข้า ลงได้แต่ขา 2 ขาแค่เท้าไม่ถึงคนขาคนที่เดินที่เดิน อ่ามันเป็นทางเป็นทางลงนรกกร ที่คุณไปคุยกับพระคุณไปคุยกับพระว่าพระท่านคุยเรื่องการเลี้ยงปลาว่าญาติโยมทิศใต้มีการ <c oughs> เพียงแค่นี้เค้าก็ชี้บอกว่าถ้าดีมันต้องลงนรกคุณปฏิเสธแต่ว่าที่ต้องลงหลุมเพราะคุณเข้า พอพูดเรื่องเป็นบาปคุณนั่งอยู่ด้วยไอ้กลิ่นบาปมันก็เข้ามาถึงท่านมีอุปมาให้ฟังก็คล้ายๆกับว่าคนเราถือใบบอนใบบอนนี่ ซึ่งบาปกรรมอกุศลทั้งไม่การคนไปคอย <c oughs> ทุกคนก็ควรทราบว่าสิ่งใด 30 นาทีก็จะหมด Zo'n mee deven daad en putter sas, nikkertchen, putter af, hangt